กันถึเรื่องด้านภาวนากันดีกว่าคือว่าในไหนแล้วก็จะต้องตั้งใจภาวนางันอยู่แล้วคัดภาวนากันอยู่แล้กวาา ก, ลการภาวนาเป็นของทําง่ายเพื่อไม่ต้องชักชวนคนอื่นทําเมื่อไหรก็ได้แต่เป็นการยากที่อุบายในเพียงพอ จะทําให้ถึงข้อนาได้ยากคือวายปัญญาไม่ฟองมันเองสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อทําได้แล้วทึกฝนอุรมได้แล้วมันเป็ขอมีคุณค่าประโยชน์มากสิ่งในที่ทําได้ง่ายคุณค่าน้อยเรื่องข้อนานเป็นเรื่องธรรมะ รุ่รวนเรื่องขางอนาวันเป็นเรื่องทำจิตใจให้ได้รับความสงบหัวสุขพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนที่ว่าเป็นของทำยานก็เราอบรมจิตจิตเป็นของมีตัวจะจับมามองจะจับมาทรมาน ไม่มาขังเรื่อประการต่างๆไม่ได้ดีนั่นจึงเป็นของธรยาก <c oughs> แต่ก็ไม่แจกของเหลือวิสัยผู้ที่ทำทำสมาธิหัดจิตใจอุรมจิตใจนใี้เป็นไปได้แร ก, กวก็มีมากมายหัวขังทั้งในปัจจุบันและอ ด, ดีตที่รวมมาแล้วหรือในอนาคตก็ยังจะมีอยู่ห่ังๆ เรื่องเหล่านี้ถ้าหาเป็นของเรวิสัยไม่มีใครสามารถทำได้แล้วพพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้คือบัญญัติมันก็มีประโยชน์ันเพราะเหตุที่มีความผู้มีความสามารถอาจทำให้ธรรมาที่เกิดขึ้นได้ถ่าเย็นบัญญัติไว้ เรื่องการอบรมสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่ของแต่และบุคคลคนอื่นจะช่วยเหลือไม่ไจิตอันนี้เรียกว่าจิตภายในจิตการภายในงานภายในในองมัทธแปดจิตท่านแสดงถึงเรื่องสัมมา ก, กัมมันโตการงานชอบ ในขนาดที่เรา น, น, นันทำกรรมฐานอยู่แล้วไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนอกภายนอกแม้แต่มือแล้วก็กระทับกันไว้กายก็ไม่ได้วันไหวไปที่ไหนไม่ได้มีงานยังไงไม่ได้ทำงานอะไรหรอกงานการ ง, งานชอบอะเช็เนได้แก่สมาธินั่นเองเรื่องต้นทัานเรียกว่าสมาธิสมาสมาังกปา ก็เห็นชาติดำดีชอบเพียงชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบเลียงชีวิตชอบคำว่าการงานชอบดังอธิบายนี้นั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาถูกการพิจรารณา มันถูกการพิจารณาเนี่ยนนเรียกว่าการงานมันถูกมันเรียกว่าชอบที่ทําถูกทำชอบนั่นก็คือสมาธิที่หนี่ที่จิตมันจะเห็นเป็นของเป็นสมาธิหนึ่งการงานมันเป็นการงานชอบอเฉพาะสมาธิชอบคือเห็นชอบนั่นเองมันไม่ค่อยเป็การงานชอบ เหมนคนเราที่มีความรู้ความสามารถจะทํางานได้ก็ตานเ่นก็มีความรู้ดีไปทําถูกงา น, นเหมือนกันนั่นแหละสมาธิที่คิดว่าเห็นชอบแล้วยังค่อกลากลางงานก็ไปชอบนั่นเหมือนกันกับกางงานภายนอกผู้มีวิ ช, ชาสามารถรู้เรื่องรู้การงานดี ทำงานมันก็ถูกมันรั้กันเพราะฉะนั้นในการที่การงานภายในใจที่ว่า น, นี่นะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสะละงานภายนอกทั้งหมดซะก่อนในเวลาที่เราทำงานภายในการงานภายในของเรา <c oughs> การ งานด้วยกายการงานด้วยวาจาคือการพูดการทำการงานด้วยใจคือความคิดนึกส่งออกไปนอกจากของเขตของสมาธิเราทอดทิ้งมดไม่มีเข้ากับหลักที่ว่ทะทมอนไ้ทำจริงจริมาลีสมัตหมกะเรลาเจกัจเรลาเจ่เเัง ดันหะในานางปรกักษมิถ้าจะทำก็ำให้ทำให้จริงทำให้มันมัน่นคงแน่นหนาท้าวอนจิต ท, ที่เราตั้งใจมัน่นลงไาจะทำกาารรมฐานละจนกระทั่งทอดทิ้งปล่อยความคิดอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปนอกรูนอกทาง ไม่มีแล้วเวลานนั้เราปักใจมั่นคงลงในที่เดียวคือเราจะพิจารณากรรมฐานตรงนี้ได้อธิบายแล้วว่าการงานคือท่านใจเมื่อเราปักหลักตรงที่เราพิจารณาคิดคนเฉพาะในใจอาหารยังจับใจไม่ได้ รับ ต, ตัวใจไม่ได้เพราะยิ่งมาทำสงบเราก็จะทําคิดค้นเดี๋ยวอในตัวของเราทํางานในตัวของเราคือในกายดีก่อนเรียกว่าทํางานที่รูปเรียวกว่ารูปกระทำคิดค้นเดี๋ยวพอในเรื่องนี้เยนให้นี้จากเรื่องนี้เรียกว่าการงาน ภายหนการคิดการคน้นเนี่ย ก, การงานภายในอั น, นี้เรื่องเยอะที่เราจะต้องทำอย่างเรือพิจารณาเป็นเรื่องตายของเราการสาวทีสองมองดูเป็นชิน้นเป็นชิ้นไปผมคนเล็บนนงเนื้อนนน เ, นเองกระดูกคิดใจให้จดจ่อเฉพาะจริงๆ ไปลังเลสงสัยแล้วจะไปคาาเะนีเอาไปจุบวันจิตที่ตั้งมั่นลงจะเอาะในปัจจุบันกลัวไปทือยวิจานณาไปดอาการต่าที่สองสนุกใหญ่เกิดเลยถ้าลงนานนานออนในปัจจุบันก็เกิดอิ่มอกอิ่มใจ เกิดความพิติตินดีในการที่เราพิจารณาคือไปเห็นตามเป็นสิ่งเห็นชัดเห็นดน้วยสมาธิเห็นด้วยการเพ่งไม่ใช่เห็นอย่างทางวิทยาศาสตร์เข า, าวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องพิสูจน์เครื่องวัดขยายสักส่วนออกให้เห็นชัด กระดูมีเนั้นทอ่อนมีเท่านี้ทอ่อนติดต่อทุกอย่างได้อย่างนั้น่เอ็ต่างที่เขาพิจูเขาเรียนตัวจริงกันจริงๆขายคนตายแล้วเขยังเอาไปไม่เอาไปจริงฉีดยากันเน่าไลยเวลเขาเรียนเขาก่อนไปแย่ดูอันนั่นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้น อ, นน อ, นอะไรต่าง ตั้งแต่เนื้อเต็มหนังตลอดทั้งเครื่องในให้เข้าใจชาติตามเป็นจริงม น, นเลยเพ่นั่นเรียกว่าพิจารณาทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าการพิจารณาอย่างนั้นเห็นจริงตามเป็นจริงจิงแตแอบจิตนั้นนั้นไม่สงบการเห็นนั้นนั้น ไม่หายสงสัยการเห็นนั้ น, น, นเห็นได้อดดีตจังเห็นแักตรัสรู้เห็นนอกจากจะเห็นไวส้สำหรับจําให้แม่นแล้วเอาไปไวส้สำหรับตอบปัญหาเมืออ่อสอปัญหามาเพื่อเอาคะแนนงานผนประโยชน์ข อ, องการเห็นอย่างนั้นจะดีอยู่ แต่การเห็นด้วยภาวนาไม่อย่างนั้นเราจะเพ่งลงไปที่กายาน่นะปัญห า, าผมคนเล็ฟันนังอะไรอาการเถิดอาการสาบิโต้จิตนั้นไปอยู่ในปัจจุบันทุกจ่อในเรื่องนั้นปล่อยวางอารมณ์อื่นว่ทาทีนี้อารมณ์มาเลยมาแผ่วผ่านเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวหรือในปัจจุบันได้เห็นเรื่องอาการทั้งหลายชัด แจงมแจ่แต่ลักษณะอาการที่เห็นไม่เหมือนก็เห็นตามแผนวิทยาศาสตร์นั่นอาจจะเห็นไปในทํานองใดทํางนองหนึ่งก็ได้เช่นกระดูกของเรายังสดสดอย่างเงี้ยเวลาไปเห็นเขาไม่ใช่กระดูกสดใดมันเป็นกระดูกแห้งแห้งจังท้า แยังทัง้งตั้งเาของไสเลยจแท้ที่จริงในขณะที่เราพิจารณาเรายังไ ม, ม่าตกยังเป็นคนอยู่กระดูกก็ยังมีเนื้อหุ้มยังมีเยื่อหุ้มอีกกิ น, นเรียก้ว่าฟังขูยตรงมันติดกักับกระดูกต่อเนื้อประหา น, นั้นแหละัานธรรมดาเป็นางา น, นรงจริงในเวลาเราไปเห็นในเวลาพ น, นันมันไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันจะไปเห็นเป็นกระดูกขาวโพ้นเลยทีเดียวหรือไปเห็นเป็นกระดูกใสสะอาดเหมือนกับแก้วนี่ก็มีหรืว่มามันเห็นแตกจากเขาเห็นเพรเห็นแล้จะเกิดปึ้มปีติขึ้นมาเห็นชักจิตสงบเย็นหมายความว่าจิตสงบนิ่งเย็นแล้วยังคอยเห็นอย่ เนี่นั้นเป็นเหตุให้เบื่อนั่นเป็เหตุในสละนอกจากจะเบื่อหน่ายและสลาแล้วจะรู้สึกตัวว่ากระดูกไม่ใช่ตัวตนคนเราผู้ที่ไปรู้กระดูกคือตัวจิตอีกคนหนึ่งนล้วจะไปเห็นจิตกับคือเห็นรูป ก, กํำนางคือเห็นจิตกับรูป ท็หมายความมีคนหนึ่งไปเห็นกระดูกที่ว่ากระดูกนั่นเป็นเป็นลูกผู้ไปเห็นนั่นเป็นนามคล้ายกับว่าเราเห็นอะไรก็ตามทั ง, ท, งที่อยู่ภายนอกเนีย่ยเราเป็นมองดูในสิ่งที่เราเห็นผู้เราเห็นมีนันสิ่งที่เรามองมีถ้าอย่างนั้นามเห็นอันนี้มันจริงเป็นของ จะจับถ้าไม่เกิดความปุ้นปีติอโอวิจใจนี่เ น, าานี่ยการพิจารณาตายเมื่อยังว่าฉันเห็นจิตให้แบบแท่งพิจารณาลูกสะก่อนถ้าลงในปัจจุบันดังอธิบายเนี่ยคือว่าเราไม่คิดอยากจะให้เห็นละหรือว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ตตองจิต ไปดูเฉยๆเนี่นะดูเมือนกับเราที่ไม่เคยดูดเอาไปจูบัน อ, อยากไปจากให้มันเห็นอย่างนั้นอยากให้มัเห็นอย่างนี้หรืออยากให้เ ป, เ, าาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือกิจานาเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเที่ยงวเมื่อเที่ยงวั น, นแล้วกอะไปดูเฉพาะคือจิตของเราไปเห็นจิตเฉพาะในสิ่งที่เราเห็นอยูน่นะ กระดูกอย่างที่ว่ามาแล้วเวลามันเห็นมันไม่ได้ว่ากระดูกนั่นอยู่ตรงไหนหรอกมันยังเห็นเฉพาะมันเองผู้เห็นกับกระดูกไม่เห็นเองไม่ทราอยู่ในโครงของเราหรืออยู่นอกโครงก็ไม่ทราบอันนั้นดีจริงว่าอสุจิจัต์ตรงนั้นคออสุจิจัน์ฮักพิจารณาอยู่นี่ ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันหนังเนื้อเห็นอะไรต่างๆเห็นตัวงเรานี่หรือจะเห็นตัวเราเป็นอสุภะปฏิกูลต่างได้ไปเห็นตัวเราเป็นคนตายนอนตายอยู่เลยเน่าเปื่อยเฟะมัดจะบางทีอาจจะเหม็นกลิ่นเข้ามาในแก้มเหม็นเข้ามาทางูก้มไีเดฉย จนอาจอดไม่ได้อย่างนั้นก็มีมีอย่างจริงว่ามันเห็นแตกจากทางวิทยาศาสตร์ก็จริงความไม่จริงไม่ใช่มันตายไม่เปลี่ยนม่เน่าอะไรมันก็เหมือนกับคนที่เราไม่ได้พิจารณาเลย่ะมันก็ดีๆเหมือนกับเราไม่พิจารณาถึงพิจารณาเห็นมันก็ยังดีๆเท่ากับถึงว่าอาการเห็นเนี่ยเป็นของอะไรเป็นของสัจจ์ถ้ามาอย่างงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าอัจฉริยะธรรม ทำไม่ขอสิทกันการเห็นแบบนี้เป็นเหตุให้พยานาในการทำความเพียรภาวนาไม่ที่เสียที่พาดภาพที่เราเห็นปรากฏนั้นเรียกว่าเห็นด้วยภ น, นิมิตีภาวนาอย่างไม่ได้จัดเชื่อวปัญญาแท้นะคนไปเถือนนี่เป็นปัญญายัางใช่ไม่ได้ ให้ถือเป็นภาพในมิตรของภาวนาทีเยิยเมื่อเห็นแล้วเราจะละมีหวนทั้งขาดเมื่อเข้าถึงตัวนั้นนี่หวนทั้งขาดจะหายไปอะไรนี่หวนทั้งขาดกายไม่ฉันทะความพอใจเพิดเพืนยินดีลง ล, กลักไข่ชาติใจในรูป ลูกผู้ลูกคนลูกัึกษาและสิ่งรูกวัตถุจริงของไอ้ศึกษาถ้าตกได้ชื่อว่าเป็นรูปแล้วเน่ะได้เกิดความพอใจแักไข่ได้ยินดีชอบอกชอบใจในเรื่องนี้ว่ากลางไม่ชั่งทันหายแล้วไม่ถึงก็จะหายการจิตเป็นยังไนเราหายเลยไม่มีในขณะ คำว่ า, าหายคำว่ า, ม, ามีที่นหมายความว่าจิตมันไปอยู่กับอารมณ์ที่เราเห็นนั่นภาพที่เราเห็นนั่นมันก็หายไปเฉยแต่ไม่ใช่มันหมดตอนนี้จรงิงว่ามันปัญญายังไม่เกิดแต่เป็นได้ภาพนิดให้รเราไปติดเยอะนั่น น, น, น, น, น, นี่ก็ละนิวนหางที่สอดใ้ยาาก การจองล่างจองผ่านคนอื่นกัต่างเสียดโกรธให้ใครก็ฉับจิตโทมนัสน้อยใจได้กัะตามไม่มีในขณนะถ้าเป็นงั้นหายหมดทิศนิมิตตัวมือม่วงเหงาเเขานอนที่เจคิดขั้นในในขณนะมีได้วความขยันหมั่นเพียร นี่ความพุ่งปีติอิ่มกินใจนั่งพรอาไมยากไม่อยากจะออกอยู่ตั้งวันในตลอดคืนตั้งไหนอยู่ได้อุทกใจกุศลจะพุ่งซ่านก็ไม่มีจิตนั้นไปอยู่ในนามีพุ่งไปไหนมีจิดฉาความลังเลในการทำควมเปลี่ยนภวนาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะ จะได้จะถึงก็ไม่ถึงเนอเมื่อเป็นนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีต้องใสง่ชักขึ้นมัดเลยจึงเรียกว่านิวรณ์หา่าไม่มีใจริงนิวรณ์ห่าเป็นของสำคัญเป็นอุปสรรคของการทำภาวนาสมาธิถ้าจิตเข้าถึงบุคภาวนาสมาธิอย่างที่ว่านี่แล้วนิวรณ์ห่าหายไป <c oughs> เมื่อนิวนห่าหายไปคนลองกะบอกภาละที่หนัหนกเพระนิวนหาเมื่อนิวนห่าหายไปตัวคนนั้นนะครับคงสงกเยือกเย็น แต่แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปไม่แก่จะเปียนเท่านั้นวิจาณาคันหาดังอธิบายมาแล้ววิจารณาลูกวิจาณาเวทนาสัญญาสัีนขาเวิย ญ, ญาให้เห็นเป็นไตรลักคือเห็นเป็นในแจงทุกขงาาังต่างๆมีเครื่องอยู่ เราพิจารณาเห็นอันนี้แจ้งทุกขังนาคาเราก็จะไปชอบ อ, อกชอบใจถ้าเกิดความปีติอิ่มอิมอ่มอิ่มกใจในเรื่องนั้นอีกในการที่เราเิ็นแต่ก่อนเราเพียงแค่เราพูดเรานึกเอาพิชิเพอพิชิตตรงนั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนึกคิดเป็นเรื่องเห็นเองชัดเจนด้วยจิตเลย เป็นอะไแจ้งทุกอย่างทแท้ใบหน้าตาแท้มีจริงว่าเรื่องพิจารณ า, ากายทางหายังพิจารณาจิตไม่ได้พิจารณากายให้จิตมันอยู่กับกายเมื่อไปเห็นอย่างนั้นแล้วท่านี้เห็นจิตหเห็นกายพอบแล้ว น, นะท่านแสดงที่ว่ามันจะจริงเราเห็นชัดเป็นอะไรก็รู้จักว่าอ๋อ อันนั้นภาพที่เราเห็นจังมหาพวกเราเห็นภาพมันมีแต่คือจิตเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชักคานี้เราจะให้จิตอยู่กับภาพก็ะไดเรือเราจะวางภาพมันมาอยู่เฉพาะจิตก็ะไดเมื่อเราวางภาพมาอยู่เฉพาะจิตแล้วกับคนกว่าพิจาณทัึงเรื่งจิตจิตที่มันคิดสงสยัยเล็กๆน้อย ตรงนอ่นตรงนี้อขากาไปแหบวบเห็นจิตชัดเลยค่ะนี่ตรงนั่นแหละจะเห็นจิตเป็นตัวถึงจะไม่เป็นตัวกระช่างไม่ปรากฏดี๋ยวามาแสดงเขอื่นเห็นก็ตามแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขามีตัวท่าเหตุที่มีตัวนั่นแ่ะ มันจังเป็นเครื่องวัดในการที่เราจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่หรือไม่ไม่ให้อยู่หรือในการที่เราเห็นมันอยู่แลยเห็นมันฝ่ายในพระวิธ ร, รมใ น, นการแสดงนี่ว่ารูปวิจิตนี่ไหมเขาไมันยังมีรูปอยู่จิตเแต่ว่าตาหนังไม่เห็นไม่ได้จ็คจูมันสายไม่เห็นไม่ได้จูเราเคเหมือนกันเขาื้อไม่เห็นไม่ได มันเห็นได้ด้วยปัญญาแจศุคือด้วยความรู้ความเข้าใจจากอธิบายาการพิจารณานี่หละอยู่ในนี้แหละจะเป็นไม่เป็นเห็นไม่เห็นรู้ไม่รู้จะถึงไม่ถึงอลไรอย่าไปขาดคิดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นได้ได้จะถึงอย่างนั้นจะเป็นดีนนน อ, อย่างนั้นวิเศษอย่างนั้นอย่างให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปนึกคิดทั้งหมด เอาจะเพาะในเรื่องเดียวในปัจจุบันแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็ น, นเย็บผ้าคนเย็บผ้าใครก็คงเคยเย็บเมื่อเราลอยได้จักเข็ม้วแลไวจะต้องจับผ้าถึงไว้หรือไม่เน้นแต่อันใดหนึ่งให้ผ้านะมัน อยู่ที่เราจะต้องดึงผ้าเนะียมันตรงมันเรียบแล้วเราที่จะปักปักเข็มลงไในเชือกเราไม่ได้คิดว่าจะทําน่นนี่นไม่ได้คิดหรอในเวลาที่เราเย็บผ้าไม่ได้คิดอะไรเลยยิบจะยดจ่อตาพร้อมกับตาเฉพาะที่เราปักเข็มที่เราร้อยเข็มที่เราเย็บไป ที่ห่างใกล้ไกลสักหน่อยๆๆๆจะเห็นเียฉพาะในเรื่องนั้นถ้าผู้ภาวนาทําจิตให้ได้อย่างเราเย็บผ่าจะดินะนักภาวนาเย็บผ่าได้สมาธิดีสบายคนที่เย็บผ่ามีสมาธิไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันทิศจิตมันจดจ่อในง ถึงแม้จะแวะไปนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ไม่ไปไม่แทําำเรื่องทำราวอะเกิดเพราะมันมัวเมา จ, าจืดจยอดเฉพาะเรื่องยิ่งขังหีห่างไกลหยาบละเอียดมันก็ค้าปรคกองยูดเฉพาะอ้เรื่องนี่พูดถึงเรื่องภาวนา เป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นการจําเป็นที่สุดในการ จ, จิตทีออ่สนดอบรมพูดง่ายๆว่าเราเกิดขึ้นมาอาศัยจิตแต่เราไม่เคยเห็นจิตถ้าจิตไม่มีคนเราก็ตายทางวิทยาศาสตร์เขาจะวัดเส้นหรือศาสตรอะไรก็ตามช่างเขาถึกแต่เราพูดในทางธรรมะเรียกว่าจิตจิต นั่นนี่แหละมีอยู่ใช่อยู่แต่เราไม่รู้ตัวทางหากเราไม่พึกผลอารมน์ดังอธิบายนี่นะไม่เห็นมันเด็ดขาดแล้วเมื่อไม่เห็นมันก็จะรักษามันได้ยังไงรักษาให้มันอยู่ไม่ได้เมื่อรักษาให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ไม่เจ็ของเราเมื่อไม่เจ็บของเราแล้ก็วัตแกลมมันก็ทําให้เราเดือดร้อนพูดแค่อีกทีหนึ่งม่า มันใช่เราได้แต่เราใช่มันไม่ไดมันใช่เราทุกอย่างใช่ทัำหนุนทำนี่เจี๊ยให้เจี๊ยให้โกรูดใช่ให้หใหใหรหักให้จงังใช่เราแม้ใช่ร้องให้ให้ก็ได้ใช่เราหัวเราะแหยหาจนน้ําตาร่วมก็ได้เพราะเราไม่เห็นตัวมันจึงรักษามันอยู่ ถ้าเราเห็นตัวมันแล้วนั่นมันจะโกรธแล้วก็เห็นว่ะมันมันจะโกรธนี่ตัวนี้มันจะโกรธตัวนี้มันจะโกรธนี่ไม่โกรธแล้วหรือมันกําลังยังโกรธอยู่ถ้รู้อย่างนี้น่ะเราพยายามไม่โกรธใช่มันเกลียดมันรักมันชอบอกชอบใจอะไรก็ตามแต่แล้วมันไปจิตพันธูพันธ์อันนี้ก็ช่างถ้าเราไปตามเห็นตามรู้ตัวมันนี่แล้ว แล้วก็ห้ามมันใ่ดึงกลับคืนมาจะไม่อยู่ที่เดิมเข้ามาใะอยู่คือที่ยังคมสงกสุขเข้ามาจช่นั่นก็หมดเรื่องกันไปทุกอะเรก็ไม่มีเกิดขึ้นมาในนั้นจึงมาเป็นการจำเป็นที่สุดของอาหารมินทบาทเป็นของเรียงชีพของคนเราอาหารเป็นเครื่องยังชีวิตของสัตว์ให้อยู่ได้ คนที่ถวายอาหารบินศรัทธาพิบูลสุสามเณรหรือแก่คนทุกจนนราชน์หรือใครก็ตามเถอะเพราะเหตุเขาจับจิตได้รยชนะจิตจิตเก็มจิตใจของใจสะอาที่ท่านแยกกว้ถึงว่าคนนี้ผ่านจิตใจสะอาดมันโดยสมบัติเจ้าเองฉะน hurts, ั้นขอทุกคนในพาณิชย์จิตการโดยในายแพทยิบัลนี้ใน่พึงนามแต่โปรดปฏิบัติทุกข์ใ จะได้สมดัความมุ่งมานการพันาดังอธิบายมากเกิดกหตุการ